ในสมัยพระพุทธการมีบุรุษท่านหนึ่งได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนของลัทธิต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้อง เป็นคำสอนที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนำไปสู่ความสุขที่ถาวรพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบไปทรงตอบไปว่าคำสอนที่มีมรรคเป็นองแปดเป็นคำสอนที่ถูกต้อง เป็นคำสอนที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความสุขที่ถาวรและการดับทุกข์ที่ถาวรมักที่มีองค์แปดนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบข้อที่สอง สัมมาสังกัปโปความคิดด้วยความนํำหนึ่งชอบความคิดที่ถูกต้องข้อที่สามสัมมากรรมันโตการกระทาที่ชอบการกระทาที่ถูกต้องข้อที่ 4. สี่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง ข้อที่หสัมมาอาชีว์โวอาชีพที่ถูกต้องข้อที่6สัมมาวายาโมวความภาคเพียรที่ถูกต้องข้อที่7สัมมาสติการนลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่แปด สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือมรกที่มีองคศดเป็นทางที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรได้ไปสู่ความสุขที่ถาวรคือพานิพานการสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสมาธิถึกนี้คืออะไรความเห็นที่ถูกต้องนี้เห็นอย่างไรถึงจะเรียกว่าเห็นว่าถูกต้องก็คือต้องเห็นว่าตายแล้วไม่ศูนตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทําไว้ถ้า ต้องการที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องการไปรับผลบุญผลบาปก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องชำระใจให้สะอาดบรยสุดกํากำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปการที่จะกำจัด ตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งสามนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาต้องเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั้งสามถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ของใจ ดับการเวียนว่ายตายเกิดของใจก็ต้องละตัณหาทั้งสามคือกามะตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาด้วยการเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทำบุญก็จะไปสวรรค์ทำบาปก็จะไปอบาย ถ้าชำระใจด้วยการปฏิบัติธรรมก็จะไปสู่มรรคผลนผลิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีความเห็นอย่างนี้ก็จะนำไปสู่ความคิดที่ถูกต้อง ค, อคือสัมมาสังกโปคือจะคิดทำบุญคิดละบาป คิดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะคิดทำทานรักษาศีลภาวนามเมื่อมีความคิดที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาก็จะนำไปสู่การกระทาที่ถูกต้องสัมมารกรรมมันโตก็คือการทำบุญทำทานการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นจากการรักทรัพย์และเว้นจากการประพฤติผิดโปรยนิละเว้นจากการเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกียดคร้านนี่คือการกระทําที่เรียกว่าสัมมากรรมโต เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปดดมดเท็ดโกหกหลอกลวงการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพเจพูดเรื่องไร้สาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ และการไม่พูดส่อเสียดคือการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีนี่เรียกว่าเป็นสั ม, มาวาจาและมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็คือเวลาพูดกันให้พูดในเรื่องมากน้อยสันโดษให้พูดเรื่อง การปลีกวิเวกให้พูดเรื่องการไม่คุกคลีกันให้พูดเรื่องการทำความเพียรให้พูดเรื่องศีลพูดเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติความหลุดพน้นและเรื่องวิมุตติญาณทัศนนะคือญาณที่ อย่างยางถึงว่าได้หลุดพ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือคำว่าสัมมาวาจาแล้วก็สัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ละเว้นอาชีพที่ทำแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่นการขายสัตว์ราวุธต่างๆขายสิ่งที่จะเอาไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นขายปืนขายมีดขายกับดักสัตว์ต่างๆขายยาพิษที่จะเอาไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นละเว้นจากการขายสุรายาเมาที่จะทำให้ผู้อื่นมึนเมา แล้วเกิดการกระทําที่เสียหายตามมาต่อไปให้ละเว้นจากการขายสิ่งที่มีชีวิตคือการค้าเป็ดค้าไก่ค้าวัวค้าควายค้าสุนัขค้าสุกรเป็นต้นนี่คืออาชีพที่ต้องเหล็กเรี่ยงให้ทําอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นมีอาชีพ ที่เรียกว่าสัมมาอาชิโะแล้วก็ข้อที่หกคือสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบก็คือให้เพียรทาบุญเพียรละบาปและเพียรชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ข้อที่เจ็สัมมาสติคือการละลึก รู้ที่ถูกต้องก็คือให้เราเลึกรู้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวสิ่งเดียวเพื่อไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งตงถึงเรื่องราวต่างๆการเจริญสตินี้ท่านมีกรรมฐานอยู่40สข้อด้วยกันที่จะใช้เป็นเครื่องเจริญสติได้เช่นในกลุ่มของพุทธานุสติ ที่มีอยู่สิบข้อก็มีเช่นให้นำเลิกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติการนำเลิกถึงพระพุทธเจ้าจะเลิกถึงพระพุทธคุณก็ได้เช่นการสวรดบทพระพุทธคุณอิติปิสโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติ ที่ถูกต้องถ้าจะใช้ธรรมานุสติก็เราเลิกถึงบทพระธรรมคุณสวากขาโตพระกวตาธรรมโมหรือจะบริกรรมคำว่าธรรมโมธรรมโมไปก็ได้ถ้าจ ะ, จะเจริญสังคานุสติก็ให้จเจริญบทคุณของพระสงฆ์ก็คือสุปฏิปันโน สาวะกะสังโฆญายะปติปนโนสาวะกะสังโฆ ค, คือเป็นการรลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์หรือจะใช้คำบริกรรมว่าสังโฆสังโฆไปก็ได้นี่เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถ้าจะเจริญ ลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าอาณาปณสติถ้าจะเจริญมรณานุสติก็ให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆความตายของร่างกายที่มีอยู่กับทุกคนทุกร่างกายไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายของเราเพียงคนเดียวร่างกายของคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ย่อมมีความตายเป็น ที่ไปด้วยกันทุกคนเรียกว่ามรานุสติหรือถ้าจะจะเจรินกายกตาสติก็ให้ดูการกระทาของร่างกายให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายอยู่ทุกเวลานาทีไม่ว่าร่างกายกำลังจะทำอะไรจะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดี จะนอนก็ดีให้รู้ว่ากำลังยืนกำลังนั่งกำลังเดินกำลังนอนกำลังทำอะไรต่างๆกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวการกระทําต่างๆของร่างกายถ้าใจเฝ้าดูอยู่แล้วลึกรู้อยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติ เป็นกายะกะตาสตินี่คือตัวอย่างของคําว่าสัมมาสติคือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะกำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้หยุดให้หายไปพราะเมื่อมีสัมมาสติแล้วก็จะได้สัมมาสมาธิจะได้สมาธิ สมาธินี้ก็มีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาไม่มีนิมิตไม่มีอะไรต่างๆมาปรากฏให้รับรู้ถ้ามีนิมิตมีอะไรปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ เพรถ้าไปสนใจไปตามรู้ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิไปจิตจะไม่สงบจิตจะไม่มีอุเบกขาเมื่อไม่มีไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกําลังที่จะไปเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร ก, ก็คือปัญญาเพื่อที่จะใช้ ในการกําจัดตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือมรรคที่มีองค์แปดคำสอนของผู้ใดก็ตามของอาจารย์รูปใดก็ตามถ้าไม่มีคำสอนที่ครบทั้งแปดองค์นี้ถือว่าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเช่นในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้นั้นก็มีวิธีการปฏิบัติมีการสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้ดับความทุกข์แต่มีไม่ครบองค์แปดก็คือมีเพียงศีล นั่สมาธิแต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีใครรู้เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของใจรักผู้ที่ปฏิบัติก็จะได้การดับทุกข์ชั่วคราวคือดับทุกข์ในขณะที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิ มีสัมมากมัมโตสัมมาวาวาจาสมาัมมาชิวสัมมาวายามุแต่ไม่มีสัมมาทิเิและสัมมาสังกะโปก็สามารถดับทุกข์ได้ชั่วคราวในขณะที่จิตรวมอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มคิดปรุงแต่ง แล้วก็คิดไปในทางตันหาความอยากต่างๆเช่นถ้าเห็นร่างกายก็จะคิดไปความอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายไปเพราะความหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา แต่ความจริงนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟทรมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟเมื่อมารวมกันเข้าก็กลายเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่าง เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็มาในรูปของอาหารอาหารที่เรารับประทานก็มีทั้งธาตุดินมีทั้งธาตุน้ำมีทั้งธาตุไฟส่วนธาตุลมก็มาทางหายใจลมหายใจเข้าออกธาตุน้ำก็มาทางน้ำที่เราเดื่มเข้าไปเมื่อมารวมตัวกัน ทั้งสี่ก็จะผลิตอาการ32ผลิตผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วถ้าทั้งสี่นี้ก็จะคอยเสริมคอยเติมด้วยการหายใจเข้าออกด้วยการดื่มน้ำด้วยการรับประทานอาหารไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ เมื่อร่างกายนี้ขาดลมหายใจหยุดหยุดหายใจไปถ้าทั้งสี่ก็ไม่สามารถที่จะรวมอยู่ด้วยกันได้ต่อไปถ้าทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันออกจากอวัยวะต่างๆลมก็จะไปสู่ลมกลับคืนสู่ลมไฟก็จะกลับคืนสู่ไฟน้ำก็จะกลับคืนสู่น้ำ เหลืออยู่ก็เป็นส่วนที่เป็นดินนี่คือสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่มีในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพื่อที่จะให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายจากความทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาความอยาก เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนนั่นเองจึงเป็นคำสอนที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถยังผู้ปฏิบัติให้บุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อไม่มีใครสอนพระองค์จึงต้องค้นคว้าหาวิธีการดับทุกข์ด้วยพระองค์เองพอออกจากสมาธิมาแล้วพอจิต คิดไปในทางตั้หาความอยากก็ทรงเห็นว่าทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เวลาคิดไปในทางความจริงคิดว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเห็นว่าร่างกายเป็นเพียง ส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟก็ทรงเห็นอนัตตาในร่างกายเมื่อทรงเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็ทรงละตันหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะทรงรู้ว่าอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความจริงของร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้พระองค์ก็เลยเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์ในร่างกายแล้วก็ละตั้หาความอยากที่เห็นที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้พระองค์จึงไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่าง ในการแสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของมรรคที่มีองค์แปดกับความไม่สมบูรณ์ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ทรงตัดสรูน้คำสอนของอาจารย์ต่างๆของลัทธิต่างๆนี้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีมรรคที่ครบองค์แปดมีเพียงหกองค์ด้วยกัน ก็มีศีลคือสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาแล้วก็มีสั ม, มาอาชิโวสัมมาวายาโมวความเพียรเพียนรนักษาศีลเพียร น, นั่งสมาธิทําใจให้สงบแต่ไม่มีการเพียรเพื่อชําระตัณหาความอยากด้วยปัญญาแล้วก็มีการเพียร เจริญสติสัมมาสติมีการเจริญสัมมาสมาธิแต่ไม่มีการเจริญสัมมาทิติสัมมาสังกปเพราะไม่มีใครรู้ว่าสัมมาทิติสัมมาสังกปรนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาสัมมาทิติสัมมาสังกปรด้วยตนเอง จนในที่สุดก็สงพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยากและความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่พาให้จิตใจต้องไปเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะความอยากนี้เกิดจากความหลงที่มองไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นตายรักทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของใครเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟผู้ใดที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะละตัหาความอยากละ ความละเหตุที่จะนําพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปัปปะก็คือต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรูปคือการปรากฏของมรรคที่มีองค์แปดอย่างครบครันครบถ้วนบริบูรณ์ผู้ใดที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้พบกับคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำพาสัตว์โลกให้ดุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้การที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นวาสนาเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนานๆจะมีโอกาสได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันถ้าถูกแล้วสิ่งที่ผู้ถูกลอตเตอรี่จะทากันคืออะไรก็จะนำลอตเตอรี่ใบนั้นไปขึ้นรางวัลกันถ้าถูกแล้วไม่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันใด ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้พบกับคำสอนที่มีมรกเป็นองแปดแล้วแต่เราไม่นำเอาไปปฏิบัติเราไม่ศึกษาการได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับรางวัลของพระพุทธศาสนาเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ไปขึ้นไม่ไปขึ้นเอารางวัลเก็บ ลอตเตอรี่ไว้เฉยๆผู้ที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมักที่มีองค์แปน้นนี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ได้ถูกลอตเตอรี่แต่ไม่นำเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปขึ้นรางวัลเก็บเอาไว้เฉยๆมีพระพุทธศาสนาก็มีไว้เพียงกราบไหวบูชาเพื่อที่จะได้อธิษฐานขอสิ่งต่างๆ การกราบไหว้บูชาพ ร, พ, พระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าการที่เราจะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าจากคำสอนของพระพุทธเจ้านีน้ต้องเกิดจากการปฏิบัติบูชาไม่ใช่อามิสบูชาอามิสบูชาก็คือการจุดธูปเทียนสักการะด้วยดอกไม้ ทูบเทียนแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขอให้ได้สิ่งนั้นให้ได้สิ่งนี้การกระทาแบบนี้จะไม่สามารถทำให้เกิดผลที่ต้องการได้ผลที่จะเกิดนี้ต้องเกิดจากเหตุเหตุก็คือการบำเพ็ญการปฏิบัติ มรรคที่มีองค์แปดตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้าคือได้รับมรรคผลนิพพานได้รับการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องปฏิบัติมรรคแปด ต้องเจริญมรรคแปดนะคพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่ามรรคนี้ต้องเจริญให้มากเพราะมรรคนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ถ้าไม่มีมรรคนี้จะไม่สามารถละตัณหาความอยากทั้งสามคือกามรตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ เหมือนกับเวลาที่รถยางแตกแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ถ้าเราไม่มีเครื่องมือมีแต่มือเปล่าๆ เ, เราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือมีแม่แรงยกล้อให้ลอยขึ้นมีเครื่องมือไว้ถอนน็อตออกจากตัวล้อเราก็สามารถเอาล้อเก่าล้อที่แตก อ, อแล้วก็เอาล้อที่ใหม่ล้อที่ไม่แตกล้อที่ดีใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้กุญแจขันนอให้แน่นแล้วก็ลดแม่แรงลงเราก็เป็นล้อรถยนต์ได้ฉัน้นใดถ้าเราต้องการที่จะยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายยุติความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยาก เราก็ต้องเจริญมรรคที่เป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่เราใช้ในการเปลี่ยนยางรถยนต์ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีมรรคที่เบองค์8นี้เราก็จะไม่สามารถที่จะละตันหาความอยากได้เมื่อไม่สามารถละตันหาความอยากได้เราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของ พวกเราได้และจะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีมักที่เป็นองค์แปสมบูรณ์อยู่ในใจที่มีกำลังที่จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้ถ้ามรรคยังไม่มีกำลังยังไม่มียังไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ การหาความอยากนี้ยังจําไม่ได้ถูกกําจัดไปอย่างราบคาบหน้าที่ของเราก็อยู่ที่การเจริญมรรคนี้เองถ้าเกิดมาแล้วถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อมาเจริญมรรคนี้เองมรรคที่มีองค์8ดหรือที่พระองค์ทรงสรุปให้กับ พวกเราเป็นสามข้อใหญ่ๆคือทานศีลภาวนานี่ก็คือมรรคทานก็คือการทำทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือดับทุกข์เพราะเงินทองนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรดับได้ก็เป็นเพียงชั่วคราว เวลาที่เรามีความไม่สบายใจทุกใจเราเอาเงินไปซื้อของไปเที่ยวไปทำอะไรความทุกข์ใจนั้นก็อาจจะหายไปชั่วคราวแต่ไม่นานเดี๋ยวความทุกข์ใจนั้นก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้เงินซื้อข้าวซื้อของใช้เงินไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เราดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจแต่มันจะดับไม่หมด มันเดี๋ยวก็กลับเกินขึ้นมาใหม่เยอเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตั้งแต่วันเกิดเนเวลาเราใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆซื้อของที่ให้ความเพลิดเพลินความสุขสนานความสุขต่างๆนี้มันเป็นการดับความทุกข์ของเรากันแต่เราก็ดับได้เพียงชั่วคราวพอพอไม่นานความทุกข์ก็จะหวนกลับเกินขึ้นมาใหม่ จนในถึงปัจจุบันนี้ความทุกข์ที่เราพยายามดับกันมันก็ยังดับกันไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่ท้าวนเราต้องยุติการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับเช่นการไปเที่ยวการไปหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายอันนี้เป็นการดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเวลาที่เราไปเที่ยวเราไป ดูไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เราก็มีความสุขมีความสบายใจแต่พอเรากลับมาบ้านไม่นานความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาใหม่เราก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเด้นกายกันใหม่แล้วก็ทำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ความทุกข์ต่างๆก็ยังไม่หมดไปจากใจของพวกเราเพราะการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ที่ถาวร น, นั่นเองการดับทุกข์ที่ถาวร น, นี้ต้องยุติการใช้เงินใช้ทองมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็สละไปให้หมด อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้กระทำกันท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดับความทุกข์ด้วยการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็เห็นว่ามันไม่สามารถดับความทุกข์ไดอ้อย่างแท้จริงท่านก็เลยเลิกใช้เงินทอง มีเงินทองมีสมบัติเท่าไหร่ก็สละไปหมดแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่แบบนักบวชไปดับความทุกข์ด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่คือวิธีการดับความทุกข์ที่ถูกต้องต้องดับด้วยการรักษาศีลดับด้วยการภาวนาคือสา ม, มถคภาวนาและวิปัสสนาภาวนา หลังจากที่ท่านได้สระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่เป็นสิ่งที่คอยยั่วยวนกวนใจทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่มีปัญญาที่จะมาละตันหาความอยากต่างๆจึงต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง ไปอยู่ในที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์และให้ได้บาเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็หลังจากใจสงบแล้วออกจากความสงบมาก็เจริญปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาว่าทุกขังนี้ก็เกิดจากสมุทยัยความอยากต่างๆและความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปความสุขที่ได้มาก็จะหมดไปด้วย เมื่อความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะกลับมาแทนที่ถ้าจะต้องการที่จะดับความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องหยุดความอยากไม่ไปอยากได้สิ่งต่างๆถ้าเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากเมื่อไม่อยากแล้วความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญมรรคแปดที่ ผู้ใดก็ตามถ้าต้องการที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรที่จะต้องการได้พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือความสุขของพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกัน ก็คือต้องทำทานรักษาศีลภาวนาการทำทานก็ต้องสละทรัพย์ไปให้หมดถ้ายังสละไม่หมดก็ให้สละไปเท่าที่จะสละได้ไปก่อนทำทานไปตามกําลังไปก่อนแต่เป้าหมายควรจะอยู่การทำให้หมดคือการยุติการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ เพราะมันไม่ได้เป็นการดับที่ถูกต้องไม่ได้เป็นการดับที่ถาวรเป็นการดับเพียงชั่วคราวถ้าใช้เงินทางดับทุกข์ก็จะไม่มีวันดับความทุกข์ได้หมดจะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเลิกการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์แล้วหันมาใช้ศีลและสมาธิศีลและสมาธิปัญญา เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์สินสมาธิปัญญาก็เป็นงานของนักบวชนี่เองการที่จะสามารถปฏิบัติสินสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ก็จำเป็นจะต้องสละอาชีพต่างๆออกไปให้หมดเลิกทรมาหากินเลิกหาเงินหาทองแล้วก็ ออกบวชกันอยู่แบบนักบวชกันนักบวชนี้ไม่มีอาชีพประไลนอกจากการเจริญศีนสมาธิปัญญานี้ถ้ายังต้องไปทํางานทําการอยู่ก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาใช้ในการปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาถ้าไม่มีเวลาพอก็จะไม่สามารถที่จะละตันหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรผู้ที่ต้องการจะดับความทุกข์อย่างถาวรผู้ที่ต้องการจะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานจึงจาเป็นต้องออกบวชกันเพราะเป็นวิธีที่จะเอื้อต่อการบำเพ็ญเอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองถ้ายังเป็นคารวะของผู้ครองเรือน ที่ยังต้องมีภารกิจการงานต่างๆอยู่เวลาที่จะเอามาในการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้จะมีไม่มากพอถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับนักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาอาชีพนักกีฬาสมัครเล่นนี้ฝีมือสู้นักกีฬาอาชีพไปได้เพราะนักกีฬาอาชีพนี้เขาไม่เขามีเวลาที่จะซ้อม อย่างเต็มที่เขาซ้อมได้ทุกวันวันละหลายหลายชั่วโมงแต่นักกีฬาสมัครเล่นนี้จะมีเวลาก็เฉพาะช่วงวันหยุดจากภารกิจการงานต่างๆการฝึกซ้อมจึงมีไม่มากเหมือนกับนักกีฬาอาชีพเวลาลงสนามแข่งขันกันนักกีฬามืออาชีพก็ต้องมอีผลงานที่เหนือกว่านักกีฬา มือสมัครเล่นอย่างแน่นอนฉันใดการปฏิบัติในเพศของคา่าวว่าก็จะเป็นลักษณะของนักกีฬาสมัครเล่นหรือผู้ปฏิบัติสมัครเล่นเพราะยังไม่มีเวลาพอที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เวลาส่วนใหญ่ยังต้องใช้ไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทอง เพื่อที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขดับความทุกข์ต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะไปสู่การดับความทุกข์อย่างท้าวอนการไปสู่การดับความทุกข์อย่างท้าวอนนี้ต้องยุติการใช้เงินใช้ทองเพื่อมาซื้อความสุขดับความทุกข์ต่างๆแล้วจะได้มีเวลาม า, าจเจริญศีนสมาธิปัญญา ที่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่ถาวรที่แท้จริงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะสามารถที่จะทำลายความทุกข์ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากายได้ถ้ามาปฏิบัติเพียงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้จะยังจะไม่ได้ผลมาก เหมือนกับการลองน้ำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงกับการลองน้ำวันละยี่สิบชั่วโมงน้ำที่ลองรับนี้จะได้ปริมาณต่างกันลองน้ำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงจะได้น้ำมากเท่ากับการลองน้ำวันละยี่สิบชั่วโมงได้อย่างไรนักปฏิบัตินักบวชนี้ท่านจะปฏิบัติวันละประมาณยี่สิบชั่วโมงท่านจะนอนกันประมาณ วันละสี่ชั่วโมงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทรงสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิพอถึงสี่ทุ่มก็ให้พักผ่อนหลับนอนจนถึงตีสองพอตีสองก็ให้ตื่นขึ้นมา แล้วก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจนถึงหกโมงเชา้าพอถึงเวลาออกบินทบาทก็ออกบินทบาททำภารกิจควบคู่กับการเดกับการเจริญสติคือถึงแม้ว่าจะไปทาภารกิจก็ยังสามารถปฏิบัติได้ก็คือการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องเวลาเดินพิบิณทบาทก็ให้มีสติอยู่กับการ บ, บินทบาทเวลากลับมาฉัน ที่สาลาก็ให้มีสติอยู่กับการฉันเวลาทําภารกิจเก็บกวาดศาลาล้างบาศเช็ดบาศทําภารกิจอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจนั้นๆเรียกว่าสมมาสติแล้วพอเสร็จจากภารกิจก็กลับไปสู่ที่พักแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อถึงเวลาประมาณเที่ยงหรือบ่ายถ้า เหนื่อยมากง่วงมากก็ จ, จะพักสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็เตินขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาบ่ายเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็มีสติอยู่กับการปัดกวาดเสร็จแล้วก็ส่งน้าอาบน้ำอาบท่าฉันน้ำปานะก็มีสติอยู่กับการกระทาเหล่านั้นจนถึงเวลาหกโมงเย็นก็บาเพ็ญต่อไป เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนจนถึงตีสองตื่นขึ้นมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปนี่คือวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ตถาคกทั้งหลายท่านปฏิบัติกันแบบนี้ท่านจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ใดที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติและได้สอนให้ปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็สอนอย่างนั้นผลของการปฏิบัติก็จะเป็นเหมือนกันถ้าท่านได้ผลด้วยจากการปฏิบัติแบบนั้นถ้าเราถ้าพวกเราปฏิบัติแบบนั้นเราก็จะได้ผลแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติแบบนี้ แล้วเราจะไปได้หวังได้ผลแบบนั้นได้อย่างไรถ้าการปฏิบัติของเรามีการปฏิบัติเพียงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นผลก็ย่อมต่างกันนี่คือเรื่องของการบําเพ็ญสู่การดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจทุกคนสามารถบําเพ็ญได้สามารถปฏิบัติได้ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเพศของวัย เป็นหญิงเป็นชายก็ปฏิบัติได้เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้เป็นนักบวชหรือเป็นข่าววาสก็ปฏิบัติได้ผลอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเป็นข่าววาสแล้วสามารถปฏิบัติเหมือนนักบวชได้ก็ได้ผลเหมือนกันถ้าเป็นนักบวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันไม่ได้อยู่ คำว่าเป็นนักบวชหรือคำว่าเป็นคารวาตแต่อยู่ที่การปฏิบัติว่าปฏิบัติแบบนักบวชหรือไม่ปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าได้ท่งปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแบบที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติหรือไม่อยู่ที่การปฏิบัติมรรคแปดนี้ปฏิบัติตลอดเวลาวันละยี่สิชั่วโมง ยี่สิบหรือสิบเก้าชั่วโมงถ้ามีเวลาต้องพักผ่อนช่วงกลางวันชั่วโมงหนึ่งก็พักผ่อนวันละห้าชั่วโมงอกสิบเก้าชั่วโมงนี้ก็มีไว้สำหรับการเจริญมรรคอย่างน้อยก็เจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกเวลาไม่ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาไปคิดถึงเรื่องนะั้นเรื่อง น, น, องนี้แล้วก็เกิดตันหาความอยากตามขึ้นมาแล้วก็ต้องไปทาตามความอยาก เพื่อระบายความทุกข์อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเดินออกนอกลู่นอกทางหรือเป็นการเดินถอยหลังไม่ได้เป็นการเดินก้าวหน้าถ้าเดินก้าวหน้านี้จะต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าควบคุมความคิดได้ก็จะควบคุมตันหาความอยากได้แล้วก็จะควบคุมใจให้รวมเข้าสู่ความสงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุบเบกขาได้พอออกจาก สมาธิจิตก็จะมีพลังที่จะสามารถเจริญปัญญาและเพื่อละตันหาความอยากต่างๆได้นี่คือเรื่องของการเจริญมรรคแปนานๆจะได้มาพบกับคำสอนที่มีมรรคแสักครั้งหนึ่งและคำสอนนี้ก็จะไม่อยู่คู่กับโลกไปตลอดพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่า พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะอยู่ได้ในโลกนี้ประมาณห้าพันปีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นคำสอนก็จะเรือนลางหายไปเพราะว่าไม่มีผู้ให้ความสนใจในการศึกษาในการปฏิบัตินั่นเองเพราะการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้ต้องสืบทอดด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ และด้วยการบรรลุธรรมถ้ายัางไม่ได้ศึกษาก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เมื่อไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เมื่อไม่บรรลุธรรมก็จะไม่มีความรู้ที่จะนําเอาไปสอนผู้อื่นได้ความรู้ที่ได้รู้จากการศึกษานี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ การศึกษานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นท่านั้นเองต้องนำไปสู่การพิสูจน์ก็คือการปฏิบัติเหมือนกับการที่เราอ่า น, นอ่านชื่อของอาหารชนิดต่างๆในรายการอาหารเราเพียงแต่รู้ว่าอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่ารสชาติของอาหารเหล่า น, นั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรปเปรี้ยวเผ็ดหวานหวานเค็มอย่างไรเราไม่รู้ เราต้องรับประทานอาหารชนิดต่างๆที่มีรายชื่ออยู่ในรายการอาหารพอรับประทานแล้วทีนี้เราก็จะรู้ว่าอาหารชนิดนี้มีรสชาติอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรฉันใดาการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพียงแต่เรียนรู้ชื่อของธรรมที่เราต้องการที่จะเสพสัมผัสท่านั้นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสธรรมนัน ถ้าเราไม่ได้เสพสัมผัสเราจะไปบอกผู้อื่นได้ถูกต้องอย่างไรว่าทำชนิดนี้เป็นอย่างนั้นทำชนิดนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถบอกผู้อื่นได้เราก็ไม่สามารถเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเราก็อาจจะบอกแบบจินตนาการไปเพราะตัวเราเองก็ยังไม่ได้สัมผัสการจินตนาการนี้ก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้ที่นาเอาไป ปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ได้ผลตามที่เราจินตนาการก็จะไม่สามารถที่จะสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าได้การจะสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้จะต้องบรรลุธรรมเท่านั้นต้องเห็นเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค เห็นไตรลักษณ์เห็นมรรคแปดถ้าไม่เห็นด้วยด้วยการปฏิบัต right ินี้จะไม่สามารถที่จะเผยแพร่สั่งสอนให้ผู้อื่นได้เพราะตนเองก็ไม่มั่นใจว่าเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรนั่นเองนี่คือเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรม แล้วหลังจากบรรลุ ธ, ธรรมก็มีการเผยแผ่สั่งสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนำมาเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาด้วยพระองค์เองแล้วก็ปฏิบัติหลังจากปฏิบัติพระองค์ก็ได้ส่งบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตายลักเห็นมรรคแปดหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งนาเอา ความรู้นี้มาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นที่นําเอาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วท่านก็นําเอาสิ่งที่ท่านได้เห็นได้รู้นํามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นนำมาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันตามลําดับมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆท้านยังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรม มีการเผยแผ่ทมอยู่แต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรษยุธรรมไม่มีการเผยแผ่ธรรมศาสนาพุทธก็จะต้องหมดไปในที่สุดส่วนที่ส่วนที่อาจจะยังมีเหลืออยู่ก็ไม่ใช่เป็นศาสนาพุทธเป็นเพียงซาก ข, ของศาสนาพุทธก็คือการสร้างทาวรวัตถุต่างๆสร้างโบสสร้างใจดีสร้างวัดอะไรต่างๆเหล่านี้ อันนี้เป็นเหมือนเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวของพระพุทธศาสนาซึ่งในยุคสมัยนี้จะเริ่มให้ความสนใจกับการสร้างเปลือกมากกว่าการสร้างเนื้อของพระพุทธศาสนามีการสร้างโบส์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างวากันมากมายแต่พระเนรที่มาบวชกันนี้จะไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันถ้าศึกษาก็ก็ก็ไม่ได้ปฏิบัต ส่วนใหญ่ศึกษาแล้วก็ไปเผยแผ่เป็นครูเป็นอาจารย์กันไปเลยการการเผยแผ่แบบนั้นเจ็บไม่ค่อยที่จะประทับใจผู้ฟังฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะผู้สอนเองก็ไม่เข้าใจสอนด้วยความไม่เข้าใจสอนด้วยจินตนาการของตนเองผู้ฟังฟังแล้วก็สับสนไม่เกิดศรัทธาไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้นั่นเองนี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ถ้าชาวพุทธเราเริ่มให้ความสำคัญต่อการสร้างถาวรวัตถุต่างๆมากกว่าการศึกษาต่อการปฏิบัติและต่อการบรรลุธรรมนะที่เป็นแก่นเป็นเนื้อนหนังของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะต้องอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุธรรมเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่ยืนแนวยาวนานไปได้เรื่องถาวรวัตถุนี้จะมีหรือไม่มีไม่เป็นประเด็นสําคัญแต่เรากลับไปให้ความประเด็นสําคัญอยู่กับถาวรวัตถุเวลาใครมาทําลายพระพุทธรูปมาทําลายวัดนี่เราจะโกรธแค้นขึ้นมาทันทีซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นตัวการตัวสําคัญอะไรเราควรจะโกรธแค้น แต่เรื่องที่พวกเราไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะบรรลุธรรมกันเสียมากกว่าเพราะนี่เป็นการทำลายพระพุทธศาสนากันแต่เรากลับเห็นผิดเป็นชอบกันเห็นว่าการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างศางลานี้เป็นการสร้างพระพุทธศาสนาแล้วก็ลืมเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติไป ศาสนาจึงเสื่อมคือเจริญที่เปลือกแต่เสื่อมที่เนื้อโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมท่านั้นจะเห็นจะเข้าใจถึงความจริงอันอนี้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พวกเรามาปฏิบัติบูชากันดีกว่าอย่าไปบูชาด้วยอมบิสบูชา ก็คือการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆถ้าจะมีการสร้างก็ขอให้สร้างเท่าที่จำเป็นก็พอก็คือที่อยู่อาศัยสำหรับพระภิกษุสามเณรส่วนโบสถ์เจดีย์นั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ศาลาก็ไม่ต้องหรูหราอะไรพอให้หลบแดดหลบฝนได้พอให้ใช้กับกิจวัตรที่ต้องมีได้ก็พออย่าไปเสียเวลากับการ สร้างโบทสร้างเจดีให้วิจิตพิสดารสร้างไปก็เท่านั้นมันไม่ใช่เป็นตัวศาสนาตัวของศาสนาก็คือการศึกษาพระธรรมคาสอนการปฏิบัติตามคำสอนและการบรรลุธรรมนับธท่านั้นเรียขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาและไปปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสากหลังเอวเมวะอิตุทินนางเปตานาังอุปกัรปฏิ อิจิตังปฏติต um ังตุ მ หังกิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุริยนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามะณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตปวัตวันตารายุ สุขีธีขาโุโผวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตาโรธรมมวัฏานติอายุวันโสุขังพลาละช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาธรรม ก็ขอเชิญถามได้ผ่านทางไมโครโฟนถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามหรือตอบอีกดังนั้นถ้าใครต้องการจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลย Hello, um, my daughter, my niece has just gone into hospital this morning to have her first baby so I'm actually here just for a blessing. A blessing. The truth is, birth is suffering. Birth is not a, a gift; it's a curse. Because once you are born, you will be subjected to sickness, aging, and death. So in Buddhism, we look at birth as a curse, not as a blessing. So when people are born, they actually are being cursed, because they will have to go through aging, sickness, and death. So the blessing is to stop birth, not to come back and reborn. Try to finish. Try to make this birth your last birth. The way to be to be able not to come back and born again is to follow the teaching of the Buddha, which is to practice meditation. Because the cause of birth arises from our desire, desire to do this, do that, to see this, to see that. To have this or to have that, all this desire is the is the cause of our rebirth. After this body die, our mind, which uses the body as the medium, doesn't die with the body. And our mind has the desire, which pushes the mind to go look for a new body, to be born again, and then to get sick, get old, and die again endlessly. So, it's. The Buddha is the only person in this world who discovered this truth, and he has discovered the way of extinction, i n the way of getting rid of our rebirth by getting rid of our desire. And the way to get rid of our desire is to practice meditation to stop our mind from thinking, because our thinking is the Is the medium or the instrument used by our desire? When we think about of, of something, then our desire will arise. We think of food, then we want to have, we we want to eat. We want. We think of some some movies. We want to go see. You know. But if we don't think about this thing, then there will be no desire. So, the blessing for having birth is to. Be thankful that we have come across the teaching of the Buddha, because by coming across the teaching of the Buddha, we have discovered the way of stopping our endless rebirth. Because being born is not good, because once we are born, we will be subjected to aging, sickness, and death, and no one likes to get old, get sick, or die. Okay. Have you read my book yet? Oh you have okay. ที่พระอาจารย์ไปให้เขาอ่านนะครับเออเออเดกจะีถามอีกข้อหนึ่งครับคือเรื่องการปฏิบัตินะฮะคือตอนนี้ผมไม่ได้ปฏิบัติภาวนาไม่ได้ปีกเวเวกแต่ว่าคือพยายามควบคุมสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาตลอดเวลาเวลาที่ทำงาน แต่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลามีอะไรมากระทบกระเทือน จ, จิตใจเหมือนกับใจมันเฉยมันเฉยได้ตลอดเวลาเหมือนว่าจิตมันพัฒนามากขึ้นไอการปฏิบัติแบบไม่ได้ปีกวเวกแบบปฏิบัติเหมือนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาควบคุมสติตลอดเวลาอย่างนี้มันจะมันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆจนถึงท่านมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรา ถ้าเราสามารถควบคุมจิตให้สังให้ให้ไม่คิดได้มากเท่าไหร่จิตก็จะว่างจิตก็จะเย็นจะสบายมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันก็จะพาเราไปสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นไปตามลาดับต่อไปเราก็อยากจะออกจากงานไปเองอยากจะทิ้งครอบครัวไปเองเพราะเรารู้ว่าถ้าเรายัางต้องทํางานเรายัางต้องอยู่กับครอบครัวอยู่ ภาระของการงานกับภาระของครอบครัวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการก้าวขึ้นสู่ทำที่สูงขึ้นไปกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือตอนนี้ก็สังเกตตัวเองอะครับว่าตอนนี้เหมือนว่าใจมันเฉยกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องที่ว่าดีหรือไม่ดีหรือแย่สักแค่ไหนมันก็เฉยของมันนะใช่มันก็ยังมีเรื่องที่มันอาจจะที่เรายังไม่ได้เจอก็ได้ เช่นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีเรื่องของความตายของคนที่เรารักหรือของเราก็ดีเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องทดสอบใจของเราดูว่าเราจะเฉยได้หรือไม่เรื่องของเวลาที่เราตกงานถูกเขาไล่ออกจากงานหมดเนื้อหมดตัวไม่มีงเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยายังจะเฉยได้อยู่หรือเปล่า เฉยแล้วครับเดือนอเดือนที่แล้วไม่มีเงินกินข้าวเลย <c oughs> แ, แล้วทิ้งลูกทิ้งเมียก็ยังเฉยได้อยู่วปะปะก็ยังเฉยไม่ได้อันนี้มันเป็นความสงสารนะครับความอย่าไปนั่งมาสงสารมันก็ยังเฉยไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละถ้าอยากจะถ้าเฉยจริงก็ทิ้งได้เรายังไม่ยอมทาข้อสอบที่เรายังทำไม่ได้เราเพียงแต่มาโอ อ, อวดเรื่องข้อสอบที่เราทาได้แล้ว บอกว่าเฉยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอจี้ไปถึงข้อสอบที่เรายังทําไม่ได้ก็อ้างไปว่าเป็นสงสารเป็นอะไรไปมันก็เฉยไม่ได้เหมือนกันสงสารก็เฉยไม่ได้เมตาก็เฉยไม่ได้คนที่เฉยได้เขาแม่จะแม้แต่จะสงสารหรือจะเมตตาเขาก็เฉยได้ถ้าเขาต้องการจะเฉยต่ายไหมครับาอ อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าตอนนี้เฉยได้กับทุกเรื่องเพราะเรายังไม่ได้เจอทุกเรื่องอย่างที่เราคิดขอขอขหัดพระคุณเจ้าครับอ่ากระผมอยังสงสัยอยู่นิด น, นึงครับเนื่องจากการปฏิบัติคือเวลานั่งสมาธิอานาปานสติก็จะมีการกําหนดกําหนดรู้ลมหายใจแล้วก็บริกรรมพุโทโธเวลาเดินจงกรมก็มีการกําหนดรู้พร้อมกับบริกรรมพุโทโธ ในกิจในกิจกรรมประจําวันที่เราจะต้องทําทุกวันเนี่ยครับเราจะกําหนดรู้พร้อมกับบริกรรมด้วยหรือเปล่าครับหรือมีวิธีการอย่างไรครับผมก็ให้รู้อยู่กับกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่แนทนเช่นกำลังทํางานกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจยังไม่สามารถอยู่กับงานที่เรากําหนด ให้อยู่ได้เราอาจจะต้องใช้คำบริกรรมมาช่วยก็ได้แต่อย่าให้มันเสียงานก็แล้วกันเวลาบริกรรมไม่ใช่ว่าบริกรรมไปแล้วทำงานแบบผิดผิดถูกถูกอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการมีสติการมีสติต้องอยู่กับเป็นอยู่กับงานที่เรากำลังทำเป็นหลักไม่ให้เสียงานไม่ให้ผิดพลาดส่วนการบริกรรมนี้อาจจะมาเสริมถ้าเกิดใจเราไม่ยอมจดจ่อยอยู่กับงานที่เรากาลังทา ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้คมบริกรรมมาช่วยเองแต่สติหลักของเราต้องอยู่กับการงานของเราที่เรากาลังทำอยู่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยเราก็จะบริกรรมอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะดูลมหายใจยอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเรากำมียังมีการเคลื่อนไหวอยู่สติต้องอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักเช่นเวลาขับรถสติต้องอยู่กับการขับรถ ไม่ใช่อยู่กับการเปิดฟังธรรมะบางคนบอกาชอบขับรถแล้วก็ฟังธรรมะไปในขณะที่ขับรถถ้าสติไปอยู่กับการฟังธรรมการขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เวลามีอะไรกระทนหันอาจจ ะ, ะแก้ไม่ทันแต่ถ้ามีสติอยู่กับการขับรถเป็นหลักส่วนการฟังธรรมก็ฟังไปเท่าที่จะฟังได้อย่างนี้ก็ ก็ไม่เป็นไรแต่ทางที่ดีถ้าอยากจะฟังธรรมให้ได้รสชาติได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายได้ผลเต็มที่ต้องไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆเหมือนอย่างที่ญาติโยมมาฟังธรรมกันในวันนี้เวลานั่งเฉยๆตั้งใจฟังธรรมะทุกบททุกบาทที่แสดงก็จะเข้าไปสู่ใจแะทํามันเป็นเรื่องของเหตุของผลที่จำเป็นจะต้องฟังอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าขาดตอนไปแล้วมันก็จะไม่เข้าใจทันทีดงนั้นถ้าอยากจะฟังทมได้อย่างมีผลมีประโยชน์จริงๆริงายวาจาใจต้องสงบอย่าไปทำอะไรแต่ถ้าจะเปรียบเทียบ ว, ว่าทำมาทนู่นทานี่แล้วเปิดเพลงฟังกับเปิดธรรมะฟังนี่อันไหนจะดีกว่าก็คิดว่าเปิดธรรมะจะดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยก็อาจจะได้ บางส่วนบางตอนก็ยังดีดีกว่าการฟังเพลงที่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สาระทางด้านจิตใจเข้าใจไหมถูกใจครับผมครับกับนมันสการารจารยร์ค่ะ คือว่าของมีเรื่องมาปรึกษาค่ะเพรว่าจริงๆหนูเริ่มรู้ซึ้งวับพระธรรมเนี่ยตอนอายุยี่บเก้าค่ะแล้วก็จากนั้นก็นํามาไปปฏิบัติเรื่อยๆตอนนี้อายุจะสามห้าแล้วค่ะตั้งใจว่าจะลาออกจากงานแล้วก็จะไปบวชชีเอตั้งแต่ต้นปีก็ได้ไปลองหาที่ที่เขาเอาจะสามารถให้ชีบวชแล้วก็ปฏิบัติทำภาวนาต่างๆได้ก็มีไปที่หนึ่งที่ที่ตอนนี้คือดูไว้จะมีเป็นอารามพิษุเนีย ค, ค่ะจะมีเรียนพวกภาษาบาลีอภิธรรมด้วย แล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นที่ที่รู้สึกว่าเราถูกเจดิตปฏิบัติธรรมเวลาไปนั่งสมาธิอะไรจะค่อนข้างก้าวหน้ามากแต่ว่าก็เลยจะสอบถามพระอาจค่ะว่าถ้าเผอเป็นแม่ชีเนี่ยเราเพื่อที่จะภาวนาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะรักกิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะควรจะต้องเรียนภาษาบาลีอภิธรรมด้วยหรือเปล่าคะจะช่วยด้วยหรือเปล่าคะไม่จําเป็นหรอกถ้าเราสามารถเรียนธรรมะโดยใช้ภาษาไทยก็ได้ที่เขาแปลมาค่ะ ธรรมะที่เราจำเป็นจะต้องใช้กับการปฏิบัตินี้ก็ไม่กว้างขว า, างไม่ต้องเรียนจบพระไตรปิฎก mm hmm. เพียงแต่เรียนให้รู้จักศีลสมาธิปัญญา mm hmm. รู้จักมากแปดเ mm hmm. ท่านี้ก็พอแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติ ไ, ไปแล้วก็คือที่หนูเคยสอบถามพระอาจารย์ท่านนึงเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะฝึกปฏิบัติจริงๆเพื่อที่จะให้ตัดกิเลสได้นะคะควรจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีอะคะ่ะเท่านี้ก็ เลยพยายามหาที่ที่ครูบาอาจารย์ดีๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างของรู้สึกของที่วัดนี้ก็จะไม่รับปวดชี่ใช่ไหยคะก็คืออาจจะต้องแยกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็หาสถานที่ปฏิบัติที่ดีเราส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็หาเวลาออกมาฟังเทศฟังธรรมอหรือถ้ามีปัญหาก็มาถามปัญหายิงสมัยนี้เรามีสื่อที่เราสามารถ ติดต่อกันได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเช่นติดตามทาง facebook ทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันก็มีธรรมะให้ฟังได้แล้วถ้ามีคำถามก็สามารถเขียนคำถามใน facebook ได้ดังนั้นการมีครูบาอาจารย์จึงไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับท่านโดยตรงอขอให้เรามีการเชื่อมต่อกันได้ติดต่อกันได้ก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์เหมือนกันแต่สถานที่ปฏิบัติที่สําคัญ กอต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วคนที่เราอยู่ร่วมกันก็สนใจแต่เรื่องปฏิบัติถ้าไปอยู่กับคนที่สนใจเรื่องทมกับข้าวเรื่องทำบุญถวายสังฆทานมันก็จะดึงให้เราเสียเวลาได้เพราะนั่นเป็นงานขั้นฐานที่เราไม่ควรทำแล้วถ้าเราเป็นนักภาวนา เราควรที่จะพุ่งไปสู่การเดินจงกรมนั่งสมาธิเปรกมิเวกเป็นหลักค่ะถ้าเขาว่าเดี๋ยวหนูไปที่ที่เราไปปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าเราก้าวหน้าแล้วก็ถ้าเกิดสอบถามหรือว่าติดอะไรก็คือหนูก็ติดต่อทางเฟซอะไรมาได้ถามวจริหนึ่งใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสผ่านมาก็แวะมาฟังทำก็ได้ถ้าบอกว่าเวลาไปปวชินเนี่ยเราก็ควรจะมีเงินก้อนหนึ่งเก็บสะสมไว้เพื่อซื้อของส่วนตัวของแบบผู้หญิง แล้วก็ไว้เวลาอยากจะมาหาพระจารย์อะไรต่างๆก็มีสก้อนนึงถ้ามีก็ดีแต่มันก็เป็นมันมันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันใช่คเพราะถ้ามีบางทีมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได้กิเลสมันก็จะอ้างว่าไปทํานู่นทํานี่แต่ความจริงมันอยากจะออกไปเที่ยวถ้าไม่มีงินมันก็ไปไม่ได้ ถ้ามีก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันใช้ไปในทางของกิเลส <c oughs> ให้มันใช้กับสิ่งจําเป็นจริงๆที่เช่นเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> แล้วไม่มีใครที่จะมาดูแลเราเราก็ต้องดูแลตัวเราเองไป <c oughs> แต่พยายามอยู่แบบมากน้อยสันโดษให้มากที่สุดก <c oughs> ินดีตามมีตามเกิดอยู่กับวัดอาศัยวัดให้ให้วัดอวัดมักจะมีอาหารหรือว่าเฟื่อง ค่าเพราะว่าที่ที่ปฏิบัติที่หนกไปแล้วรู้สึกว่าพัฒนามากค่ะก็จะมีแม่ชีอยู่องค์หนึ่งค่ะบวชมาสิบสองปีแล้วค่ะก็ได้ไมีลองสืบถามดูแต่แม่ชีจะค่อนข้างมีมต้องติดทําบุญอยู่ค่ะเหมือนหนตั้งใจว่าถ้าจะไปบวช ด, ด้วยกันก็คงจะแยกกันแยกกันอยู่ให้ห่างๆกัน เ, เพราะว่าเขาถ้าเขาติดบุญเราไปติดบุญกับเขาไม่ได้เนี้ยค่ะก็ไม่อยากมีปัญหาแต่ถ้าองค์เดียวหนูว่าน่าจะยังพอแยกๆกันอยู่ได้อยู่ค่ะาการอยู่ร่วมกันก็ต้องพบ อยู่กับคนที่มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันถ้ามีปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันเขาก็จะดึงเราลงได้ถ้าเขาต่ำกว่าเราแต่ถ้าอยู่กับคนที่สูงกว่าเราได้ก็ดีเขาก็จะดึงเราขึ้นเช่นอยู่กับคนที่ชอบอดอาหารนี่เรายังไม่เคยอดอาหารพอเราไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเห็นเขาอดเราก็ทนไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องลองอดดูก็อาจจะ เอาเขาเป็นทางฝึกปฏิบัติส่วนตัวด้วยเราอยู่กับ <มา S 1> คใครนี่ต้องอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราหรือเท่าเรา อ, อย่าไปอยู่กับคนที่ด้อยกว่าเราเพรา ะ, ะเขาจะฉุดเราลงต่ําได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหาคนที่เก่งกว่าหรือเท่าเราอยู่ไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าแต่หลักๆคือต้องที่ปฏิบัติที่จะต้อง ปฏิบัติแล้วเราไปแล้วไปก้าวหน้าอมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องส่วนครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะหาเวลาแยกไปพบท่านได้ขอบคุณมากค่ะได้คําตอบแล้วค่ะ่ะรู้ค่ะขอบคุณค่ะกราบลักการพระอาจารย์ค่ะจันเรียนกราบพระอาจารย์ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สบายแล้วรู้สึกเจ็บ แบบถ้าปวดท้องอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรากำหนดจิตไปที่ท้องจะรู้สึกว่ามันปวดมากแล้วเราควรจะทำยังไงไม่ให้มันมีอาการเจ็บปวดอะคะ่ะคือความปวดส่วนใหญ่มันไม่ได้ปวดที่ท้องที่ร่างกายมันปวดที่ใจแล้วความปวดที่ใจนี้เกิดจากความอยากให้ความปวดที่ท้องหายไปเราาต้องอยาไปให้ใจเกิดความอยากให้ความปวดที่ท้องหายไป แต่โดยธรรมชาติของกิเลสที่มีในใจของพวกเรามันจะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีเวลาเกิดความปวดขึ้นมาที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งใจจะอยากจะให้มันหายแล้วมันก็จะสร้างทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ที่มันหนักกว่าความเจ็บของทางร่างกายแลงั้นเราต้องหยุดหยุดการความอยากที่จะให้ความเจ็บนี้หายไป ด้วยมีสองวิธีวิธีแรกก็คือการเจริญสติคือเวลาเราเจ็บที่นี่นเราก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจกับเรื่องของความเจ็บของร่างกายให้พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งหรือไปทําอะไรให้มันหายได้งั้นเราอย่าไปสนใจกับมันให้มาควบคุมใจอย่าให้คิดเกิดความอยากให้ความ เจ็บของร่างกายหายไปวิธีที่จะทำก็คือพุทโธไปเรื่อยๆถ้าพุทโธไปเรื่อยๆมันจะไม่มีโอกาสที่จะไปอยากให้ความเจ็บหายไปพอมันไม่มีโอกาสความเจ็บที่คิดว่ารุนแรงมันกับลดลงไปเพราะความเจ็บส่วนใหญ่มันเกิดจากความอยากของใจอันนี้เป็นวิธีแรกคือวิธีใช้สติแต่มันก็จะต้องใช้สติไปเรื่อยๆ ต่ไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากได้อย่างถาวรวิธีที่จะกำจัดความอยากได้อย่างถาวรก็ต้องใช้วิธีของปัญญาคือต้องมองให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเราต้องไม่อยากเราต้องยอมอยู่กับความเจ็บให้ได้อยากไปอยากให้มันหายไปเลยอยากไปอยากหนีจากความเจ็บหนีมันก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวมันก็ตามเราไป เจ็บวันนี้วันนี้หายเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเป็นใหม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่ามันจะตายถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องมาทุกข์กับมันเราก็ไม่ต้องไปหนีมันไม่ต้องไปกลัวมันคำมีคำโบราณที่พูดว่าให้ทำใจดีสู้เสือไว้คือทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าให้เกิดความอยากให้มันหาย เพราะเกิดความอยากแล้วมันจะทรมานใจวิธีที่จะทำอย่างนี้ก็ต้องสู้กับมันไปเรื่อยๆเวลาเจ็บก็ต้องพยายามฝึกสอนใจให้เฉยๆถ้าเฉยไม่ไหวก็ใช้สติช่วยพุทโธช่วยไปก็ได้แต่เป้าหมายหลักของเราไม่ได้อยู่ที่ความอยากจะให้ความเจ็บหายไปแต่อยากจะให้ความอยากหายไปเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ผลิตความทุกข์ที่ หนักหนาสาหัสกว่าความเจ็บที่เกิดจากทางร่างกายถ้าเราฝึกแล้วต่อไปใจของเราก็จะหยุดความอยากได้เวลาเจอความทุกข์ทางร่างกายความเจ็บทางร่างกายมันก็จะเฉยเฉยได้แล้วมันก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ใจต้องยอมรับว่าตราบใดที่ยังมีร่างกายอยู่ความเจ็บทางร่างกายยังต้องมีอยู่ต่อไปแต่ความทุกข์ทางทางจิตใจนี้สามารถ ทำให้มันหมดไปได้ด้วยการหยุดความอยากคืออยากไม่ให้ความเจ็บเกิดขึ้นหรืออยากให้ความเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วหายไปอยากไปให้มันมีความอยากอันนี้อยู่ในใจเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บอีกต่อไปการนักษาการค่ะคำถามต่อไปจากทางบ้านค่ะจากคุณณธิกาข้อแรกกลัวผีมาก แค่อ่านเรื่องผีแล้วดูจิตว่าเป็นอย่างไรดูร่างกายว่าเป็นอย่างไรก็ยังกลัวอยู่ใจก็แตกกระเจิงเอาง่ายๆควรทำอย่างไรดีคะก็ควรที่จะดูผีที่มีอยู่ในตัวเราอยู่บ่อยๆก็คือดูซากศพของเราบ้างดูอนาคตของเราบ้างต่อไปร่างกายของเราตายไปมันก็กลายเป็นซากศพกลายเป็นผีทำไมตอนนี้เราอยู่กับมันได้อย่างไม่กลัว แล้วพอมันไม่มีลมหายใจเรากลับไปกลัวมันความจริงเราอยู่กับผีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นพยายามดูซากศพดูร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนซากศพตอนนี้มันเพียงแต่ยังไม่ได้เป็นซากศพเพราะมันยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นพอไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีใครเขาอยากจะเก็บเราไว้ในบ้านแล้วเขาก็จะส่งเราไปวัดไปสุสานไปเป็นไปอยู่กับพวกผี งั้นต่อไปเราก็ต้องไปอยู่กับผีเราไปกลัวอะไรร่างกายของเรามันเป็นผีอยู่แล้วถ้ามันกลัวแล้วพิใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้ก็ใช้อุบายแบบเดียวกับความกลัวความเจ็บก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปหาหาผีพอความจริงผีมันไม่มีหรอกผีมันอยู่ในใจใจเราหลอกหลอกขึ้นมาเองพอได้เห็นอะไรขยับหน่อย ก็คิดว่าเป็นผีแล้วบางทีเป็นจิ้งจกเป็นอะไรก็ได้เป็นตุ๊กแก่อยู่ในวนเพดานมันวิ่งหน่อยก็คิดผีมาแล้วยังเวลาเกิดความกลัวอย่าทรงใจไปหาสิ่งที่ทำให้เรากลัวให้ดึงใจกลับเข้ามาให้อยู่กับพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปอย่าให้มันมีช่องไปคิดถึงผีเลยพอมันไม่มีความคิดถึงผีแล้วพออยู่กับพุทธโธได้สักระยะมันก็จะสงบ พอสงบแล้วความกลัวก็หายไปแล้วเราก็จะรู้ว่าความกลัวมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองเราหลอกตัวเราเองพอจิตสงบแล้วหายกลัวไม่ต้องบริกรรมเวลามันสงบแล้วมันหายไปหมดเลยความกลัวข้อที่สองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถูกแล้ว ระหว่างวันดูกายใจไปเรื่อยๆ ร, รู้บ้างไม่รู้บ้างดูเหมือนเป็นบุคคลที่สาดูอยู่แต่ไม่เคยเห็นไตรรักษ์แบบออโต้ต้องภาคเองแบบนี้ปฏิบัติผิดไหมคะคือการดูกายนี้เป็นการฝึกสติเป็นหลักคือไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้ให้ดูไตรลักหรือดูอะไรให้ใจหยุดความคิดตรงแต่งเพื่อที่ใจจะได้ เวลานั่งสมาธิใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาต่อให้นั่งนานสักเท่าไหร่ใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบเห็นเบื้องต้นนี้การดูร่างกายก็เพื่อเป็นการดึงใจไม่ให้ลอยไปไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตเพราะความสงบนี้มันต้องอยู่ในปัจจุบันมึงถึงจะสงบได้ แล้วพอเรามานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบพอใจสงบแล้วนี้เราก็จะมีกําลังที่จะมองทางปัญญาได้จะมองไตรลักษณ์เราก็ต้องต้องนำนำความคิดพาไปก่อนเช่นเห็นร่างกายต้องคิดถึงเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยวมันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอด วันนี้เป็นอย่างนี้อีกหปีข้างหน้ามันต้องเป็นอีกอย่างมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปตายไปถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เท่ากับเศษกระดูกนี่คืออนาคตของร่างกายที่เราควรที่จะมองพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นตายลักขึ้นมาเห็นว่าร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไป ไปสั่งไปควบคุมไปเก็บมันไว้เป็นของเราได้มันต้องกลายเป็นอของสับเปลือไปมันต้องกลายเป็นขี้เท่าเป็นดินไปถ้าเราอยากให้มันไม่เป็นอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะทุกข์นี่คือการพิจารณาเพื่อให้เห็นตรายลักษณ์แล้วเราจะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่ความอยากของเรานี่เองที่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทาให้เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจท่านไม่มีความอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจท่านเฉยๆเป็นอุเบกขาตลอดเวลาเป็นกลางตลอดเวลา คำถามต่อไปจากคุณนัทวัต์ช่วงที่เราเจ็บป่วยทางกายเราจะปฏิบัติภาวนาอย่างไรครับกิจใจจะ ก, กังวลเรื่องไม่สบายผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะทำให้เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายได้ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับก็ได้ตอบไปแล้วในคำถามที่ได้ถามมาเกี่ยวกับความเจ็บของร่างกายก็มีสองวิธีวิธีใ ช, ช้สติก็บริกรรมพุโทโธไป ถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายลัก์เปลี่ยนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามได้อย่างเดียวก็คือความอยากของเราคำถามต่อไปจากคุณจันทร์ที่มาพอดีหลานชายอยากบวชแต่ไม่พร้อมเรื่องปัจจัยอยากทราบค่าใช้จ่ายในการบวชว่าต้องใช้ปัจจัยประมาณเท่าไหร่ค ะ, ะมาติดต่อที่วัดได้ก็มีพระที่รับทําหน้าที่นี้อยู่ ไปติดต่อที่กุฏิหมายเลขสี่ของวัดยานสังวรารามใครต้องการบวนก็สามารถที่จะไปถามข้อมูลต่างๆได้คำถามต่อไปจากคุณพี่ชัดตอนนี้ผมภาวนามาจนถึงลมหายใจผมหายเหมือนเราไม่มีลมหายใจจิตผมก็สงบผมต้องพิจารณาอะไรต่อหรือเปล่าครับหรือแค่ผมรู้ก็พอ ให้ประคองสติไว้ให้สักแต่วารู้ไปรู้ว่าลมหายก็รู้ว่าลมหายไปอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปอยากให้ลมกลับคืนมาหรืออยากอย่าไปไขวยคว้าหาลมเพราะจะทำให้จิตไม่สงบไม่นิ่งให้นิ่งไปเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้แล้วจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบต่อไปคำถามต่อไปจากคุณวาทิศ ผมชอบอ่านธรรมะที่พระอาจารย์ลงในเฟซและส่งต่อให้เพื่อนอ่านเพื่อให้ลดละเลิกในอบายทั้งปวงโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูแต่ตัวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยยังมีโลภโกรธหลงดูเหมือนง่ายแต่ปฏิบัติยากหลายครั้งรู้ว่ากำลังโลภโกรธหลงก็สักแต่ว่ารู้ แต่ไม่สามารถกำจัดออกได้ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำครับต้องพอนาให้มากขึ้นต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพถึงจะมีกําลังที่จะตัดตัณหากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ายังปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปแบบล้มลุกคุกขานบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกิเลสเล็กๆน้อยๆ ต, ๆตัวเล็กๆตัวน้อยๆอื ไม่ใช่เป็นกิเลสตัวใหญ่ตัวโ ต, ว ต, วตวถ้าอยากที่จะได้ผลมากได้ผลดีก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณมาดูทำไมพระอารันชีที่ทำอา ร, รัชีาทำไมทำไมพระอารันชีที่ทำผิดถึงขั้นปราชก เพราะเสพเมถุนถึงอยู่ครองผ้าเหลืองหลอกประชาชนได้นานหลายสิบปีทั้งๆ ท, ที่มีหลักฐานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรือเพราะเขาทำกรรมดีมามากหรืออย่างไรคะเป็นเรื่องของคนที่เชื่อเขาถ้าเขาเายังเชื่ออยู่เขาก็ยังก็ยังไม่ิดไม่เชื่อว่าเขาได้ได้ทผิดแต่คนที่ทําผิดนะเขารู้อยู่แก่ใจของเขาอยู่แล้ว ว่าเขาทำผิดหรือไม่ทำผิดเขาเป็นพระหรือไม่เป็นพระดังนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปกังวลเพราะกฎแห่งกรรมนี่มันมีอยู่ตายตัวอยู่แล้วคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันหรือเพศใดๆก็ตามแต่ที่แต่งงานกั น, กนแล้วและอีกฝ่ายไปมีกิ๊กหรือมีชู้ถือว่าผิดศีลหรือเปล่าคะ ตามประเพณีเราก็ถือว่าผิดประเพณีเพราะประเพณีของเรานี่คือต้องมีสามีเดียวภรรยาเดียวแล้วถ้าเราไปมีมากกว่านั้นก็ถือว่าเราพ่อพืชผิดประเพณีเพราะจะทําให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความวุ่นวายตามมาคําถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อแรกเวลานั่งสมาธิพอสงบภายในสักพักจะมีสัญญามาลบกวน เป็นสิ่งที่จิตเคยไปชอบแต่ก่อนเคยรู้สึกไม่อยากให้เกิดแล้วก็หายไปตอนนี้มาอีกแต่ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบแต่กลับคิดว่าควรแก้ไขอย่างไรดีมันเป็นสิ่งรบกวนไม่ให้ผ่านลงไปในจุดที่ต้องการได้ครับก็ ก, บก็ต้องภาวนาต่อไปถ้าภาวนาแล้วถ้าจิตสงบว่างเราก็หยุดภาวนาได้ แต่พอมีอะไรปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องภาวนาต่อไปแสดงว่าสติเรายังกําลังไม่พอที่จะหยุดมันอย่างราบคาบพอสติเราอ่อนกําลังลงมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องภาวนาเจริญสติต่อไปใหม่พุทโธไปดูลมไปต่อไปข้อที่สอง แต่ก่อนสัญญามีแค่ฝ่ายดีตอนนี้มีทั้งดีและไม่ดีถ้าดีใจจะสุขน้อ ย, อยแล้วอุเบกขาหรือบางครั้งออกไปทางรู้สิ่งที่เคยหลงที่ผ่านมาแล้วทั้งในและนอกสมาธิคือรู้ไปเช่นนี้เกิดดับเกิดดับแบบนี้ถูกไหมครับก็ต้องสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาพิจารณาว่าเป็นตายรักไปให้หมด เหนอะไรก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก้อที่สามอยากจะรักษาอุโบสถตลอดพรรษานี้ก่อนหน้านี้ก็ซ้อมมาได้ยี่สิบวันบ้างสองอาทิตย์บ้างหรือบางครั้งร่วมเดือนแต่ต้องถอยออกมาต้นเหตุเพราะสู้อำนาจราคะไม่ไหวบางครั้งอสุภภาพปิดไม่ทันพอใจรู้ต้นเหตุมันก็ดับตรงนั้นแต่เกิดขึ้นใหม่ เวลาไปเห็นภาพตามสื่อต่างๆไม่พิจารณามันก็ไม่เป็นปัญหาแต่เวลามันมามันก็มาแบบไม่ตั้งตัวขอพระอาจารย์เมตตาให้อุบายแนะนำด้วยครับก็ต้องหมั่นพยายามเจริญสุภาพไปเรื่อยๆพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายไปอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทเหมือนกับเตรียมน้าดับไฟไว้ถ้าเราไม่เตรียมน้ำดับไฟไว้ก่อนพอไฟลุกจะไม่มีน้ามาดับไฟทันท่วงที ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ที่ราคะเราก็ต้องใช้อสุภาษะต้องพยายามเจริญอสุภาษะมากๆเหมือนกับการรับประทานยาถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรสักอย่างเราก็ต้องรับประทานยาที่จะรักษาโรคนั้นถ้าเราไม่รับประทานโรคนั้นมันก็จะไม่หายถ้าเรามีโรคราคะเราก็ต้องรับประทานยาคืออสุภาษะต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่มันยังไม่เกิด พราะถ้จะรอให้มันมาเกิดแล้วมาพิจารณามันจะไม่ทันการลองพิจารณาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเราท่องสูตรคูณเวลาที่เรายังไม่ได้คํานวณใช้การคูณเราก็ท่องสูตรท่องสูตรคูณไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้มันก็จะใช้ได้อย่างทันทันท่วงทีถ้าไม่มีอยู่ในใจเราพอมันเกิดการมารลมขึ้นมามันก็จะไม่มีสุภาษมาดับมันคําถามใน Facebook หมดแล้ว